พระไตรปิฎกเล่มที่12พระสูตรที่ 2. สองสภาสวะสูตรว่าด้วยอุบายกําจัดอาสวะทั้งปวงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเสฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นทรงแสดงเหตุแห่งการปิดกั้นอาสวะทั้งปวงแก่เหล่าภิกษุทั้งหลาย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 ผู้รู้ผู้เห็นโยนิโสมนสิกานและอโยนิโสมนสิกานโยนิโสมนสิการหมายถึงการทำไว้ในใจโดยถูกอุบายโดยถูกทางกล่าวคือการนึกการน้อมนึกการผูกใจการใ่ใจการทำไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นทุกในสิ่งที่เป็นอนัตตา ว่าเป็นอนัตตาหรือโดยสัจจานุโลมิกยายนอโยนิโสมนาสิกานหมายถึงการทำไว้ในใจโดยไม่ถูกอุบายโดยไม่ถูกทางหรือการนึกการน้อมนึกการผูกใจการไยใจการทำไว้ในใจถึงความคิดโดยในที่กลับกันกับสัจธรรม เมื่อภิกษุมณสิการคือการกำหนดไว้ในใจโดยไม่แยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเมื่อภิกษุมณสิการโดยแยบคายอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปภิกษุทั้งหลาย อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยทัศนะก็มีข้อนี้หมายถึงโสดาปฏิมักอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการสังวรก็มีข้อ <yapt> น <TVs> <bargain> ี้เป็นชื่อของสติหมายถึงการระวังการปิดการกั้นอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการใช้สอยก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการอดกลั้นก็มี อาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเว้นก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการบัรเทาก็มีอาสวะทั้งหลายที่ต้องละด้วยการเจริญก็มีอาสวะที่ต้องละด้วยทัศนะคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะ ไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะของพระอริยะไม่ได้พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมะ ข, ของสัตบุรุษเขามีรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมาสิการและไม่ควรมาสิการเขายอมมณสิการคือการกำหนดไว้ในใจถึงธรรมะที่ไม่ควรมณสิการไม่มณสิการถึงธรรมะที่ควรมณสิการ ธรรมะที่ไม่ควรมนานสิการคือไม่ควรกาหนดไว้ในใจซึ่งปุถุชนมนานสิการเป็นอย่างไรคือเมื่อปุถุชนมนานสิการถึงธรรมะเหล่าใดกามสุวะคือความกาหนัดในกามคุณห้าที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญภาวาสวะคือความพอใจในพบที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น ที่เกิดแล้วย่อมเจริญและอวิชชาสวะความไม่รู้ในอริยสัจสี่คือทุกเหตุเกิดทุกเป็นต้นที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญเหล่านี้คือธรรมะที่มีควรมาสิการซึ่งปุถุชนมณสิการธรรมะที่ควรมณสิการซึ่งปุถุชนไม่มณสิการเป็นอย่างไร คือเมื่อปุถุชนมนาสิการถึงธรรมะเหล่าใดกรมมสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสือ lek, Tokyo, ่อมไปภวาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนาสิการซึ่งปุถุชน ไม่มณสิการเพราะปู่ตุชนนั้นมาสิการถึงธรรมะที่มีควรมาสิการไม่มณสิการถึงธรรมะที่ควรมาสิการอาสวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและอาสวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญปูทุชนนั้นมณสิกานโดยไม่แยบขายอย่างนี้ว่าในอดีตการยาวนานเราได้มีแล้ว หรือมิได้มีแล้วหนอเราได้เป็นอะไรมาเราได้เป็นอย่างไรมาเราได้เป็นอะไรแล้วจะมาเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตตการยาวนานเราจักมีหรือจักไม่มีเราจักเป็นอะไรเราจักเป็นอย่างไรเราจักเป็นอะไรแล้วไปเป็นอะไรอีกหนอหรือว่าบัดนี้มีความสงสัยภายในตนปรารบปัจจุบันการกล่าวว่า เรามีอยู่หรือไม่เราเป็นอะไรเราเป็นอย่างไรสัตว์นี้มาจากไหนและเขาจะไปไหนกันหนอเมื่อปูตุชนนั้นมนาสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ทิฏฐิคือความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งบันดาทิฏฐิหกก็เกิดขึ้นคือทิฏฐิเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นโดยแน่แท้มั่นคงว่า อัตตาของเรามีอยู่อัตตาของเราไม่มีเรารู hmm. ้จ <sı x. S 1> ักอัตตาได้ด้วยอัตตาเรารู้จักสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาได้ด้วยอัตตาเรารู้จักอัตตาได้ด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาอัตตาของเรานี้ใดเป็นผู้กล่าวเป็นผู้รู้สวยผลแห่งกรรมดีและกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆอัตตาของเรานี้นั้นเป็นสภาวะที่เที่ยง ยั่งยืนมั่นคงไม่แปรผันไปเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่เสมอด้วยสิ่งที่แน่นอนข้อนี้เราเรียกว่าทิฏฐิได้แก่ป่าทึบคือทิฏฐิทางกันดานคือทิฏฐิเสี้ยนนามคือทิฏฐิความเดือดร้อนคือทิฏฐิกิเลสเครื่องผูกพันสัตว์คือทิฏฐิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า ปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์ผู้ยังไม่ได้สดับยอมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความตายความเศร้าโศกความคร่ำครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความขับแค้นใจย่อมไม่พ้นจากทุกภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยทั้งหลายฉลาดนิธรรมะของพระอริย ได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของพระอริยะภสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมะของสัตบุรุษย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่ควรมนาสิการรู้ทั่วถึงธรรมะที่ไม่ควรมนาสิการอริยสาวกนั้นย่อมไม่มนาสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนาสิการมนสิการถึงแต่ธรรมะที่ควรมนาสิการ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 ธรรมะที่ควรมนานสิการซึ่งอริยสาวกมนานสิการเป็นอย่างไรคือเมื่ออริยสาวกนั้นมนานสิการถึงธรรมะเหล่าใดกรารมาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปเหล่านี้คือธรรมะที่ควรมนานสิการซึ่งอริยสาวกมนานสิการ พราะอาริยาสาวกนั้นไม่มนานสิการถึงธรรมะที่ไม่ควรมนานสิการมานาสิการถึงธรรมะที่ควรมนาสิการอสาาวะทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมไม่เกิดขึ้นและอสาุาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปอริยาสาวกนั้นมนาสิการโดยแยกคายว่านิทุกข์คือสภาวะที่ทนได้ยากนิทุกกะสมุ ท, ทยัยเหตุเกิดทุก นิทุกขะนิโรธความดับทุกขนิทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเมื่ออริยาสาวกนั้นมนาสิการโดยแยบคายอย่างนี้สังโยชน์สามคือหนึ่งสักยะทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน 2. วิจิกิจชาความลังเลสงสัยและสสินละพะตะปรามาสความถือมั่นในศิลร สังโยชน์ทั้งสามนี้ยอมสิ้นไปภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยทัศนะอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวร อ, อาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกายเป็นผู้สำรวจด้วยการสังวรในจักขุนซีอยู่ จกักขุนสีหมายถึงจักขุที่เป็นภาษาเท่รูปอาศัยมหาพูธรูปสีนับเนื่องในอัตภาพที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เคยกระทบกําลังกระทบจักกระทบหรือพึงกระทบที่ชื่อว่าจากักขุนสีเพราะทำหน้าที่เป็นใหญ่ในจักขุโทวารโสตินสีเป็นต้นก็มีนตยยเช่นเดียวกันจักขุโสตคานะ จิวหากายะมนโนคือตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมกับคำว่าอินทรีจึงเป็นจักขคุณซีโซตินซีคานินซีชิวอินซีกายินซีมนินซีภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายเป็นผู้สำรวจ ด, ด้วยการสังวรในจักขคุณซีอยู่เมื่อเธอไม่สารวมอยู่ อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสำรวมอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในโศดินรีอยู่เป็นผู้สำรวมด้วยการสังวรในคานินซีอยู่ เป็นผู้สํารวมด้วยการสังวรในชิวหินซีอยู่เป็นผู้สํารวมด้วยการสังวรในกาญินซีอยู่เป็นผู้สํารวมด้วยการสังวรในมะนินซีอยู่ซึ่งเมื่อเธอไม่สํารวมอยู่อสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอสํารวมอยู่อสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความขับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการสังวรอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยอาสวะที่ต้องละด้วยการใช้สอยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วใช้สอยจีวรเพียงเพื่อป้องกันความหนาวความร้อนเหลือบยุงลมแดด และสัมผัสแห่งสัตว์เล้ยคลานเพียงเพื่อปกปิดเอาวัยวะที่ก่อให้เกิดความละอายภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาดไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อความมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งคือไม่ได้กินเพื่อให้ร่างกายอ้วนผีเ อ, อิบอิ่มเพื่อให้มีผิวพรรณงามแต่เพียงเพื่อกายนี้ดำรงอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตติณซีเป็นไป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 อาสะวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นอาสะวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบกบายแล้วเป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายเหลือบยุงลมแดดและสัมผัสแผงสัตว์เลื้อยคลานเป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำหยาบคำส่อเสียด เป็นผู้อดกลั้นต่อเวทนาทั้งหลายอันมีในร่างกายเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจรากชีวิตได้ซึ่งเมื่อเธอไม่อดกลั้นอยู่อสวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธออดกลั้นอยู่อสวะแล้วความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอ ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการอดกลั้นอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นอาสวะที่ต้องละด้วยการเว้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเว้นช้างดุร้ายม้าดุร้ายโคดุร้ายสุนัขดุร้าย เว้นงูหลักต่อสถานที่มีหนาหลุมเหวบ่อน้ำคลำบ่อโซกโรคและพิจารณาโดยแยกคายแล้วเว้นสถานที่ที่ไม่ควรนั่งสถานที่ไม่ควรเที่ยวไปและมิชชั่วที่เพื่อนปพรมจารีทั้งหลายลงความเห็นว่าเป็นฐานะที่เป็นบาปและเว้นสิ่งเหล่านั้นเสียซึ่งเมื่อเธอไม่เว้นอยู่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 คือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วไม่รับกามวิตกคือความตรึกในการที่เกิดขึ้นละบัญเทาทำให้สิ้นสุดและทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปพิจารณาโดยแยกคายและไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไม่รับวิหิงสาวิตกคือความตรึกในการเบียดเบียนที่เกิดขึ้น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 ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสวะที่ต้องละด้วยการบรรเทาสำหรับคำว่าบาปอากุศลธรรมในที่นี้หมายถึงสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลมี6ประการคือ 1. ยาติวิตกความตรึกนึกถึงญาติ 2. ชนบทวิตกความตรึกถึงบ้านตัวเอง 3. อมรวิตก ความตรึกที่มีทิฏฐิสัตว์สายไม่แน่นอน 4. ีปราณุทยาตาปฏิสังยุตวิตกความตรึกเรื่องอนุเคราะห์ผู้อื่น 5. ้าลาภาสการะสิโลกปฏิสังยุตวิตกความตรึกถึงลาภส ก, การะและสรรเสริญ 6. อนวินยติปฏิสังยุตวิตกความตรึกเรื่องเพลงผู้อื่นจะดูมิน่น อาสวะที่ต้องละด้วยการเจริญสัมพวชงสัมพวชงหมายถึงธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้มีเจ็ดประการคือ 1. สติความระลึกได้ 2. ธรรมะวิจยะความเลือกเฟ้นธรรม 3. วิริยะความเพียร 4. ปิติความอิ่มใจ 5. ปัสสัทธิความสงบ ก, กายสงบใจ 6. สมาธิ ความมีใจตั้งมั่นเจ็ดอุเบกขาความมีใจเป็นกลางเพราะเห็นตามเป็นจริงอาสวะที่ต้องรับด้วยการเจริญเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเจริญสติสัมโพชงที่อาศัยวิเวก ค, คือความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับ น้อมไปในการสละกพิจารณาโดยแยกายแล้วเจริญธรรมวิจยสัมโพชงเจริญวิริยะสัมโพชงเจริญปิติสัมโพชงเจริญปัตสัตติสัมโพชงเจริญสมาธิสัมโพชงเจริญอุเบกขาสัมโพชงที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละซึ่งเมื่อไม่เจริญอยู่ อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเจริญอยู่อาสะวะและความเร่าร้อนที่ก่อความคับแค้นย่อมไม่มีแก่เธอด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอาสะวะที่ต้องละด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายอาสะวะเหล่าใดที่ภิกษุใดต้องละด้วยทัศนะ ด้วยการสังวรด้วยการใช้สอยด้วยการอดกลั้นด้วยการเว้นด้วยการบรรเทาด้วยการเจริญอศวะเหล่านั้นเป็นอศวะที่ภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยทัศนะด้วยการสังวรด้วยการใช้สอยด้วยการอดกลั้นด้วยการเว้นด้วยการบรรเทาด้วยการเจริญภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่า เป็นผู้สํารวมด้วยการสังวร อ, อาสวัชทั้งปวงอยู่ตัดตัณหาได้แล้วคลายสังโยชน์ได้แล้วทำที่สุดทุกได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิสนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิสของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบ สัภาสวาสูตรพระสูตรที่สองจากพระไตรปิฎกเล่มที่12บ